ฮึฮฮ่าในหยุดนี้ม ah, ันทาเหตุหาๆเป็นเดียวมันวอกขึ้นนะฮ่านี่คือมือเนี่ยผมอ่ะแต่มันหนึ่งดีกว่าตะกานตะกามันมันมันใหม่มันกำเริบวเ เคยตันดาลเอายามาจากฮ่องกงมาหน่อยที่ฉันรู้ว่าน่ะสองหลอดเพราะว่าดีมันหนักหนักเลยออกเหนื่อยฉันยาหมอนั่นก่อนที่ี่รากยังฉันนี่น่ะทุวันหนึ่งคนหนัาวันมากเขามากเขาพาราเราก็ยิ่งหนักนะมันละอาเลยนะทุวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะไม่อยากเล่นกับอะไรอยู่ลําพังจ้าของคนเดียวเน แต่ออกมาข้างนอกนี่ก็มีผอ้มีคนเนะึ่ยไม่ค่อยออกมาหรอกผมมาแล้วลุ่ ม, มออ น, นี้เจ็เอวนั่นะไม่เปลี่ยนยัยที่ไปด้วยอันนี้นหละตอนตอนตอนเช้าพอตื่นนี่นอนไปมานี่มันตัวมันแข็งทื่อไปหมดเลยนะนี่แหะที่มาลงโอโซนไม่ได้เรื่องโอสซนนี่เราตจดจ่อมากนะใจเราแต่มันเมื่อมันมาไม่ได้มันก็จาเป็น ถ้าพอตะเกียบตะกายมาได้มาเงี้ยเดี๋ยวมันไม่อำเนียก็เลยการงานอะไรที่ใครยังไม่เป็นก็ให้ฝึกให้หัดให้ฝึกหัดให้เป็นนะให้คล้องมือได้ด้วยกันนะอย่ามาอยู่เฉยๆนะใครควรจะฝึกหัดอะไรๆให้ช่วยกันหลายมั่หลายมือให้คล้องมือไปให้คล่องสนินี่ไม่ได้เรื่องนะผมสังเกตดูอยู่ มันเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเราไปตำหนองนั้นทอดอะไรตาอยากไปเลยมันอะไรกันหรือ่ไม่ใช่เรื่องของเรามชาชนะศีลของเราไปบนั่นหรอือก็หน้าที่ของใครอาจาลีเมพันเตหงุ่งหิเพื่ออะไรอืทําการทํางานนั่นนี่คนเราเป็นคนสั่งคนมอบภาระให้นี่จะเป็นใครไป ตัวใหญ่หันไหนเท่ามาตัวใหญ่ห น, นะ <g ül> น่ว่าเง้มันเป็นไงว่าที่หือเล่าหมู่ควนต่างมันมาเหมาะตรงนี้เลตมันตามหานะตามเห็นแต่ขี่มันแล้วเสือโดดปุ้งงงก็ไปจ้อยเราคนนึงอันนึงอนึงกับเพงนี่แล้วคนว้นี้เพงนี่เขา อ, อยู่ด้วยกันแต่ก่อน อยู่กับเรานี่พวกนี้ออกดินนี้ก็ไปอยู่นั่นกับหนองผู่ขาวนั่นเลยนั่นก็อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ขุดไครที่ตอนตกขุดตั้งหัใจน่ะหลังนั้นหลังกระพเพาะอะไรกระเพาะอะไรอยูยย่แต่ก่อ น, นมันก็นหลังเล็กอยๆอีกแล้วสูงแค่นี้ปูฟางมะไผ่แอมฟังสูงแค่นี้ก็มีเฉียงยาวเม็ด นี่อ่างเดประมาณไม่ถ้าสิบอยู่มั่งแล้วก็มีกองไฟอยู่นั่นมหน้าวุติทางกรมมาอย่างนีน้กองไฟอยู่ห้องนั้นเพนก็เดินออนั่งพอนายอยู่ในห้องนั้นเสือตัวนี้นะตัวมันเคยมาเนี่ยมันก็มานั่นแหละมามนตามทางมั น, มนหากินกินหมาแล้วกับคนนั่นอ่ะมันมาข้างๆวุตินี้มันไ ป, ไปเห็นกองไฟ พวกนี้มันมันชำนาญมากนะพอเห็นกองไฟหมานเคยอยู่กับไฟมันก็เลยหลอกทำหลอกขึ้นขปานะั่งเรียว่ายางเสียงหาวอันนี้ถ้ามีหมามันจะมันจะเห่าเพราะทำรสนาปแปลกๆให้มันตื่นมึงมาหมอบแล้วก็หางตีดินตุกตุกตุกตุกมันตีดินตุกตุกุกุก นี่ถ้ามีหมาหมาเหา่านั่นแหละที่นะีนะมันรู้เลยว่าหมาอยู่ตรงไหนอ่ะ่ะท่านเพลนก็นไม่รู้มันตึงตุ๊บตุ๊บหลายห น, นเลยระคิดคว่าสังฆ้องเ่าหนี่คนวัวดิงูจักง้ามผ่าหน้ามหาหยอกฮาเหลืองอย่างงูจักง่ามคนผวาหน้ามหาหยอกฮาเหลืองจักไว้หลังไว้หลามวัวคนนึกในใจดอก เงินนั่งพหน้าอย้างละคนตั้งอยู่คนกําลังจะออกกันเราตุกๆอย่างนถ้านี่พอออกมาแล้วก็เอาไฟไปเบิ้งอรย่างเี้เบิ้งเงินมันห้อยไผแล้วเนดิเบิ้งห้อยกูมากของรัดกอดแมันเตียนลงคนเดินไปตามท่ามหมดเลยขางหนาเลยเนี่ยมันทอเอาไฟไปขายเงินเนาะที่ไหนได้ไฟเสือโอ้ไฟเสือเนี่ยไปเรตามร้อยมึงมึงออกหนออกหุไปหุ้นเลย ทั้งกันแล้วแล้วกลับขึ้นมาบางง้วงกองไฟเห็นว่ามันเหมาะคือมันเหมอะจริงเลยมันเอาหางมันฟาดดิ่ทุบๆทุบๆนี่ให้หลอกหมาถ้าหมาอยู atte atte ่นั่นหมามันต้องเห่านะเดี๋ยวนี้เอยพวกนี้มันฉลาดนะเสือนบางทีก็มุ้มว่าหมาไปอยู่คนคนไปถักไมาปลาอะไรก็ตามอย่างนี้มันจะไปทําท่าอยู่นู่นนะเสือมันไปทําใบไม้อะไรให้เสียงดังคั่วค่าเหมือนคนนะ มันนี้เอกตื่นก็เหา่าบางิีวิ่งไปมันเอาแสกแกกไปเลยอย่างนั้นนะพวกนี้มันมันหลอกตื่นะเสือนี่หลอกตื ง, ออนนตงมันร่องเหมือนสัตว์อะไรก็ได้ล่องเหมือนกวางก็ได้ล้องเอ๊เดเหมือนกวางร่องเหมือนคนก็ได้ผิวมันรอ้อนแร้ก็ได้นี่มันมันหลอกสัตว์นะก็ที่ดูที่ย่งบ้านอะไร น, นั่นน้องผืนั่ะ กำลังคุยเป็นธรรมะเงียบๆสองสามองค์ดีกันแล้วได้ยินเสียงมันเหมือนเสียงเสียงขอนี่นะเหมือนเสียงขวาวัวขวายนะโม้ขนาดนั้นนะมันทํากักหลักกักหลักกักหลักมาจากนู่นจากข้างมานาไนน่ะบินตาบัตทางบินตาบัตรมาอนนะไรมาประตูนประตูเขานี่ใจมันมาไม่เข้าประตูมั น, ม, นมันเดินอ้อมไปตามนั่นนะ แต่ตามรั้วนะพวกควายพวกอะไรมันเดินนอกรั้วมันก็ไปนอกรั้วมันไม่เข้ามาทั้งมาเสียงก็กลักกักลักกักหลักเหมือนงีนนะเหมือนนั่นคนจะหลงกลมันละ่ะทางแนวองค์จันท่านก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมาก่ที่แรกเพราะได้ยินเสียงนั่นมึงความือเขาแล้วตูวแล้วว่ามันย่ำแรงเลยควา้ากระปอ๋อยไปถี่ไปหมดเลยทัง้งหมด น้ำแงขบกผูก้ามาเนาะแขวนที่ขอประตูเลยเ่นเพราะว่าท่นพากรลื่ยอยเอาต่เกียงคมรวนละไปเลยไปล ป, ปรตูกขเป็นฮอตเตงฮอตประตูไนแล้วก็ไปดูสายแล้วเอาค่มอม เ, เนี้ยหาได้เขบอกเห็นเงียบเลยจะกลับมาเพิ่นกบถามมั่นะเดี๋ยวท่านไปบขเห็นแล้วกรเลยกลับมา มันมาปุยทำอะไรนี่เลย้มือเช่ามันนิ่งนั่นมันอ้อมไปหันไปตามด่วนนะั้นข้างนอกมันอ้อมไปตามด่วนนะั้นพุ่นออกประตูประตูหนาหนาวัดมันจะบินไปบัดในบ้านท่านไปท่านเห็นก้อนมูนได้ล่ะแปะอยู่ท่านจิสรุปท่านยังไงก็ไม่รู้ตานขึ้นน่ะ น, นะนเขาออกไปนี่นี่นี่เจ้ากอลล์ลอมขึ้นดูเอานี่กันว่าท่นชี้เลยทนชี้นี่นี่เห็นไหมหนังงาน เขียงกอกล็อกมาขึ้นเน่ยโอ้โหเสือโคงเลยขนาดสามุมนมากแลยนะนสามตุ <c oughs> นั่นหละมันทาได้นั่นแะก็ล็อกกล็อกก็ล็อกเมือนขอจริงนะคือเวลาควายหรืองวัวมันเดิ น, ด น, นงีมันก็อกก็อกแทนไหมล่ะมันข้อเนี่ยก็อกก็อกมันเฮ็ดแบบนั่นะโอมันเฮ็ดเป็นแต่แทนหอเ่าเพมันหลงกลมันนี่สัตน์่ กลิ่นยู่โค้งเน่ า, เนากันมันนากลินงัวงยุคห่างวัดอ่ะวัดโคง้งขน่าวาดัดตาเนี่ยมันนากินก็เหมือนกันเดือนนี้ดีแต่มันมันเด่นเป็นแบบข้นมันมันเหนียกหากันถ้าก็เดิยนยุคขอยู่ในวัดนั้นมันมันกินงัวงยุคปากวัดทั้งนั้นสองตัวเหลือมีสองตัวจะโค้ ง, งขอ ง, องนั้นเนี้ยตอนคำคกําลังเริ่ม ม, มื่นยิ่งย่างฉัอ้า น้อนอ้าวห้องคือคนห้องอยเด้ร้อนอ้าวอวหนอืก็ทั้งนั้นมันก็เป็นริมหนองหนองเนี่ยหน้องไงเขาอย่างน้องใช่ว่าในหนองไหอันนี้มันผมหลอกเห็นอันพกกันจริงต้องเป็นยูอันมันจะมันตายเลยแล้วนั่นเพราะฉะนั้นห้องอ้าอ้ขึ้นสองหุนน ท่านนี้เออคนนี้ท่าข้างด้านตรงๆห้างัวอยู่หันอยู่ในยานกลางก็ลองๆ้องเออมันมันียากหากันนะมาหน้ามาหนีเสียงตู้นิ่ห้องอาเป็นทางด้านอีกมันก็ไปห้ากันแล้วไปหาซ่าเออหนี้เสียงปุ้มปิ้มปุมปิ้มนะมันถึงกันแล้วนะเสียงพุ้มปิเหมือนเสียงคนเพราะมันห่างจังวัดหน่งมันอยู่ขนาด ขนาดส้วม น, นั่นนะซากมั่วนะขนาดส้วมอันซากถังน้ำมันตาลนะสวม น, นั่นน่ารักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นทีนี้เสียงมันพุ่มพ ม, ง, มงเหมือนคนนอ น, น, น, นเงียบไปมันกินล้วใรเขไปทามันวาเขาบอกตัวใหญ่ขาด น, นั้ น, น, ม, น, ม, นมันกิ่นแล้ยันวีดีโอว่าลายไปพร่าเลยกินหันได้มันกลิ่นแ่ะ นีกันแหละเสียงมันเรียกหากันมันมันถ้ำมัหลายอย่างเลยทัดอันี่บ้านทีงหลงกลมันเลยทีมันขย้มันเขย่าผมไม่หรือยังชอบผลอยู่ไดถ้ำมบาหวานวาบเมือนนั้นหมาวงจ่าฝั่แม่งเาวิ่งไปหาน่ะมันก็เอาเลยนี่นี่กันแหละ เสี้ยนดาวก็เป็นแบบหนึ่งเสียงเสี้ยคงเป็นแบบนี้ทหมายถึงว่ามันอุบายของมันคนละอย่างละอย่างจนมันล่องเหมือนเหมืองกวางนี่มันร่องกวางมหามันได้เหรอไม่ใช่ละวเดี๋ยวผิวอ่อนๆคือคนผิวอ่อนๆ ต้องมึงหลอกยังมผิวเนิต้องกู้จากค้อนไม้กู้ทับกู้แก่บ่อยต้องบอกมังมันทาเพื่อหมาน้ามึนเสือโครงของม้าแก่สังวาท่แล่นะในเสือดาวมากเลยอันไปตามบุญนึกเขาว่าได้พ่วงก็ไปกุดตีล่างานนั้นนี่มือเสารนี่น้อยมันเด็มันมากน้ำพ่วงหมดรถไฟหมาหมา ต, ตอนนั้นขึ้นมาบ้ามากเลยท่ามากเสร็จมั่นแล้วละ่ะหมาในบ้านมันบ้าขึ้นข้อนมีรูดหอกต่งวั น, นต่างมันท่านมูนมาโ ม, ม้นล่ะมันค่อยมันเดินาำท่างตามท่างมันไปทุกซอกทุกมุมเลยเดินมันไปเที่ยวซอกเจีคนโม้น่ะมันไมหาอะมันหาดินหมาแล้วนั่นกเลีเ้ยขา อ, อย่างเงี้ย ว่ายิ้มออตัวไ ด, ว ด, ววด้แตยยิ้มแ้วเชือคง ว, ว่ยิ้เงียบไปเลยชักข้างในขามานั่งกับปลาดงมือกับม ด, มดนี้เลยเหลืเเมมล อ, อ, ดอเดินนี้ก็เป็นสวนบมี่นีหละพวหมูก็มดสัตว์อะกระิ้งงัวแดงคงตายหมดแล้วคงว่ะมดอะไปที่ไหนมันก็เ ห, นเหมือนกับบริเวณทีอยู่เนี่ ม, ม, ม, นะ ม, มัเป็นทงแบบโมแต่ว่นไหนใช่ไหมพุ่มนะแล้วมึงต่อไหม่ก่อนเขาถางถ้ำเป็นสวนเป็นได้นะออกไปคล้องก็ยังไล่ามาไล่หรืออะไรอม ผ, มผมผมผมพานดันเลยน้ำท่างส่งนนั่นอะไปไปจึงไปเห็นโถดุงไงุ่งโตเดียวมดไดเลยถ้ำเป็นดตัวเป็นเป็นสวนสุด้าหูใช้ตาหูน้ำเนี้นยธรรมาดาดิ กันงแต่นจะพูดเนี่ยไปจนกระทั่งถึงออกแล้วมาได้มี่แต่สวนตอนไล่สวนเขาทั้งนั้นแหละนั่นแล้วมันก็หมดมัก็ยิบางไงเราไปจะว่ามีป้ามี่หลวงอยู่แนละ้วเอ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นเครื่อง อัดเทศเขาว่าเขาจะมาให้ดูได้เป็นไงได้ดูแล้วล่ะ <Okay. S 1> ของเราก็มีถึงห้าเครื่องแล้วไม่เนี่ยเดี๋ยวเนี้มากลแล้วนะจะทําประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นล่ะเนี่ย <Okay. S 1> แล้วอัดแจกแจกตะฟาตะพุยล่ะในวัดเราไม่ให้มีการซื้อกานขาย <Okay. S 1> มันขัดต่อหลักธรรมของพระเจ้าขัดต่อศาสนาขัดต่อพระพุทธเจ้าที่พาดําเนิน <Okay. S 1> เกี่ยวกับโลกมีแต่วความเมตตาสงสารล้น้นล้นล น, น, น, น, นไม่ได้มีอะไรเป็น แบบการซื้อขายอันนี้มีกิเลสมันสวมลอยเขาบอกกิเลสมันหากินตามนี่แหละยังวะเห็นมากกิเลสสวมลอยมีที่ไหนก็ในอันนั้นกันยังบอกแล้วพระซื้อขายว่าไงอันนี้สถีข้อไหนนะทําการซื้อขายนั่นข้อเกณฑ์หรือข้ออะไรนี่สถีปฏิทีสามสิบนั่นอันลัที่สองน่ะเป็นข้ออะไรแต่อยู่ใกล้ๆครับชาติรูปายตานะพราทําการซื้อขายนั่น เงนดาวบาดอยู่นั่นแหละมันก็เห็นอะไรนี้เห็นไม่มองดูเขายังไงมันมองดูาันจะหลังลายเงินหลังลายอั่างนั้นแล้วจะทําไงถ้าเราไม่มีการซื้อการขายมันทําก็จะซื้อขายหาอะไรหาช่วยโลกอะไรใครจะช่วยได้นีมีแต่ซื้อแต่ขายอย่ามันก็แบบโลกเขามันผิดแบบอะไรกับโลกเขาวัดกับบ้านก็ว่าเฉยๆว่าวัดถ้าเป็นงนั้นแล้วมันก็เหมือนบ้าน ที่นี่พระกับโยมก็เราวัดกับบ้านมันต่างกันยังไงมันก็เห็นในนี้นี่มันต่างกันท่านก็ห้ามมว่าไม่ซื้อใงินขายอย่าง น, นบอกพระพุทธเจ้ารับสาวกทำท่านหลัง อ, อะไรกับใครท่านไปที่ไหนเย็นไปหมดที่เรียกว่าโลปุญจคตังโลกะเป็นเนื้อนาบุญของโลกมันยังบอกมันใช้ปอบกินตับโลกนะ ขายมีแล้วก็แจกก็ช่วยลงไปก็อย่างอย่างนี้แหละไม่ต้องชวนขายอะไรอของเรานี่ยโถถ้าขายเงินจะเอาสักกี่ล้านวะหนังสือก็ดีเทปก็ดีมันน้อยมื่อไรคนแพทยทั้งนั้นเนี่ยบานรายก็ยังมาว่าให้ผมเขาว่าตัวหน้านะ เขคงเขาจะเขาคงจะย่างเสียงดูท่านะพอดีมาผมก็ได้เขาเขามีสองคนเข้ามาผู้ชายก็ลูกศิษย์นั่นแหละเป็นทารไปเขามาผมก็เลยให้นังเอหนังสือตอนนั้นให้หนังสือเขาสองเล่มคนละสองเล่มเออของผมบางคนละเล่มนะเล่มๆดิมทําจำได้แต่เขาพูดเราบ้าเราเนาะ หนังสือหล่านี้มาดตั้งหลายว่าขายซื้อขายกันนั้นแล้วก็แพร่หลายได้ง่ายกว้างขวางไปอย่างกว้างขวางได้อย่างรวดเร็วเลยนี้ช่างจาย์จะมาหวงว่าทําไมกรรมสิทธิ์นี้ไม่ไม่พิมพ์ชื่อพิม พ, พ, พ, พขาย ว, ว, ว, วางนั้นพิมพ์ชื่อพิมพ์ขายมันจะได้กว้างขวางไว้เร็วไเงว่างนั้นทําไมผมใครจะฟังเงสียงกันผ ม, ม, ม ตอนนั้นผมให้หนงถือว่า น, น, น, น, นะหนุมคนอาเล่มยังเชื้อขายเลยแล้วก็วนะออ่างกันก็อยังเชื้อขายะจะเลยกว้างขออยายไปกว้างกวางอย่างรวดเลยกลางทางนั้นเอามาเล่ม น, นี้สองล้านเลยมีสองล้านเอามาหนะกเป็นไม่หนักดังนั้ น, น, นโอ้ยผมแพ้เลยนมาเใหไว้ซื้อขายเราท่าอยากได้เราว่าที่มาทํามีทำไมที่นี่วะแล้วให้เฉยกับเล่มละสองล้านเอาทางไหนดีแล้วบ่าที่ ให้เคยดีนะนั่นเห็นหมายระหว่างกพูดอะไรให้มีเหตุมีผลใช่พิาจารณาสักหน่อยอย่ามาพูดเฉยๆนะวะต้องหัวละเลยเลยตกลงก็ เ, ออเออยอมมาแต่ยังงั้นแล้ววะให้เฉยไม่ดีซุบซื้อเรื่มซื้อเลืมเล่มมาสองล้านก็ได้แล้ววะก็ว่างั้นแหละนั่นแล้วเอาต่อหน้าต่อตาเลยให้เขาได้เห็นเหตุเห็นผล อยให้กว้างขนาดไหนก็ได้กว่าใครจะไปกว้างก็ขมหัวใจคนถ้าทําให้กว้างนะ้าวถ้าทําให้แคบได้เท่าไหรมันก็แคบอยู่นั่นหัวใจมันไม่พอจะให้กว้างขวางขนาดไหนหัวใจมันไม่พอยนั่นแหละวะหัวใจมันทับแคบเราก็บอกทําใจให้มันกว้างขวางใครจะเกินศาสนาพูดธ่ะแล้วใครจะเกินพระพุทธเจ้าสาวกท่านอะเรื่องหัวใจมันกว้างขวางมีประมาณเมื่อไรโปวดสัตว์โลกหนักวะทําไมเราจะคอยเอากับความกว้างขวางกันด้วยการซื้อการขายซึ่งโลกเขาก็ทํามันเกือนเห็นไหมกว้างขวางไม่โลกเวลานี้นะ ดูสิมันกําลังที่เหยียบกันอยู่นะใครถึงจะเอาด้านเอาเปรียกมันมันกว้างขวางไหมคนประเทนั้นอ่ะดูที่ว่าบังกันกรสอนก็บังเลยเรื่องความเรื่องของบูริจ้ามันลึกขนาดไหนใครมันตามไม่ทันไม่เห็นนาเราจึงเคยเราจึงเคยพูดเสมอว่าทำาบูริจ้าเนี่ย ใ, ให้อ่านบูรณา อ่านสังเกตไปในบทใดบดัตรใดก็ตามจะความหมายที่เป็นตัวเต็มเต็มตัวนั้นนอกจากเราไม่ได้สนใจท่นเองไม่ว่าธรรมะส่วนใหญ่เป็นกลางส่วนละเอียดส่วนละเอียดนั้นเป็นสิ่งที่จะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงนั่จะจ ะ, จะยึดเป็นสําคัญมากนะที่เจ้าสอนว่าย่างไรว่าตรงไหนตรงไหนนี้มันจะจับป๊อปจับทุ๊บจับปุ๊บพร้อมพร้อมวังความพ้นทุกข์อันนี้เป็นทางพ้นภัยน่มันก็ต้องยึดเอาสิ อ่านพิเฉยนี่เป็นอีกอย่างเหมือนหนังสือทัว่วไปนะไม่ไม่ไม่ได้เหมือนหนังสือธรรมะแ่ะอ่านพิเฉยอ่านไม่คิดไม่อ่านถ้าอ่านคิดอ่านเพื่อการปฏิบัติเพื่อการก้าวเดินให้ได้ผลตามที่พระองค์สอนนั้นลองดูสิอ่านตรงไหนมันมีความหมายเต็มตัวเต็มตัวหมดน่ะเป็นคงกับกธรรมะสวดคาถาทำต อ, อบไม่ชอบแล้วจบแล้วไม่ว่าบทใดบันไหดไขั้นใดของธรรมเป็นสวดคาถาทำคือตอบไม่ชอบทุกอย่าง คันนี้ก็ชอบในคันนี้คันนี้ชอบคันนี้คันนี้ชอบในคันนี้ออืหนมไม่พิจาราไม่สนใจวันเราม ก, ก็กลายเป็นบ้านไปได้อไรอย่างนี้มันเห็นกันนี่นะนี่ถ้าหนังสืออย่างนี้ น, นี่แล้วก็เหมือนกับอาหารว่างเกิดแล้วแล้วตั้งร้านขายหนังสือได้เลยเป็นเศรษฐีได้อย่างของเราเนี่ยหนังสือเราไม่ชนน้อยจะด้วยนะเท่าไหร่ครับผมจำมันผิดว่าสิบสี่เล่ม มันก็พอซื้พอขายแล้วเลยเหมือนเป็นล้านๆแต่ธรรมะเป็นยังไงคือนี่งแห้งผากไม่มีอะไรทีแห้งยิ่งกว่าหัวใจพระที่โลกเห็นแจกเงินยิ่งกว่าเห็นแจกธรรมมันนักมันก็มีข้อพิจารณาร่างกันอยู่ตรงนั้นเอเลยลารเดองแห้งกระั่งเถอะขอให้ธรรมของหัวใจมันชุ่มเย็นพอพระวิชาท่านชุ่มพระวจชาเลิศเพราะความชุ่มเย็นหองธรรมกับใจนะว่างนี่เ็ที่พูดแล้ว อ, อะไรนี้มันก็ไปพ้นที่ก่อน ที่เลศสวมลอยกิเด็ดไปตั้งตงลาดไปสร้างตลาดในหัวใจในกิจการงานของวัดของวาของพระเจ้าพระสงฆ์ไปหมดทุกอย่างเลยกิเนศไปสร้างตลาดตรงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นทอย่างเยเราไม่รู้ว่ามันสร้างตลาดเออไอ้อาก็มีแต่เงินไอากก็มีแต่เงินมีแต่จะซื้อจะขายมีแตจะเอาจะเอาจะเอาท่าเดียวนั่นแหละคือกิเลศไปสร้างตลาดมันสร้างได้หมดงานอะไรบ้าๆได้อะไรได้อะไรมันสร้างสิ ได้เท่าไรได้เมันสมบัติอะไรก็ได้เลยดูหัวใจอยู่ของมันได้มันเขียอะไรอยู่ในนั้นนั่นมันถูกนั่นเป็นเรื่องของโลกเขาเขาให้มาก็ทําเป็นประโยชน์ไปเท่านั้นก็นแล้วกันมันได้มากหรนะืน้อยก็เรื่องของขอ ง, ของมันเท่านั้นได้มากก็เพื่อจะทำให้เป็นอระโยชน์แก่โลกเท่านั้นนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามาเป็นเนื้อเป็นหนังมาแข่งทํำเรื่อยๆไปบ้างโดยไม่รู้สึกตัวว่าแข่งนะ เอาเงินมาแทนทำวัดก็เป็นตลาดหาเงินไปพระก็เป็นพ่อค้ามาได้คือว่าไงเป็นกับหัวใจแล้วน่ะเป็นกับอะไรไปก็เหมือนกับทะเลาะกับวัดกับวากับเจ้าของไปแต่เราก็พูดตามหลักความจริงอว่าไงเราไม่ดมีเจตนาที่จะให้เขาเป็นผู้ใดเย แล้วพูดตำหลักความจริงที่ยากสงสอนจริงไว้น่ะการพูดตำหนักความจริงผิดไปนี่ถ้างั้นโลกก็หมดแล้วาศาสนาไม่มีอยู่ในหัวใจคนนะะอืพูดความจริงฟังไม่ได้ก็แสดงว่าหัวใจนั้นไม่ยอมรับความจริงต่รับกับของปลอมบนวัฒนธรรมอืนเนี่ยมันก็เข้าตรงนั้น เ, เก็บนี้ออกไปอไปะคคุุณณไ